การทำกันหลังจากเราได้เสนอเสวนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณว่าดีประเสริฐอย่างไรแล้วก็มีความเชื่อไม่ต้องสงสัยก็ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วไมีชะตาในเรืออ่องนี้ ร้อยเปร์เซ็นต์แล้วก็ต่อมาก็สอนทยอยเรื่องคำสอนได้มีเท็จจริงอย่างไรในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ช่ตัวตนอย่างไรเห็นด้วยไหมทำดูหรือเปล่า ผู้หปัญญาชนทั้งหลายให้มีสติปัญญาศรัทธาความเชื่ออย่างมีคว ม, มัดชัดเจนแม่นยอมไม่ใช่ศรัทธาแบบก้เาเข้าออกศอรัทธาก้าวหน้าศรัทธาเป็นทุนเพื่อทำความดีเพื่อรความเชื่อเพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่ผิด ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกสิ่งใดผิดก็ไม่ทำสิ่งที่ดถูกก็ทำแล้วก็มาสัมผัส <c oughs> บอกชัดเกิ็นเหลือเกินรูปนามทั้งหมดทั้งชิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไป สังขารคเรื่องการจิเจรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเป็นจริงๆก็แม่เราก็ตายไปแล้วปู่ย่าตายายปายตายไปหมดแล้วคนหนุ่มคนเด็กก็ตายไปหลายแล้ว สิ่งใดเป็นสังขารท่างที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเห็นด้วย <c oughs> ไหมไหมเป็นอย่างนี้จริงๆริงไหมการสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ย บางทีมันอาศัยได้ไหมร่างกายมางทีอาใจอาศัยได้ไห ม, ไมอยู่นี่อย่าทำอย่างนี้บังทีมันก็อาศัยไม่ได้คนร้ายคนดีผู้ผู้แพร่แพร่ไมมั่นใจมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองเป็นอย่างนี้บ้างไหมบางทีในคนลอกโล ก, กายเป็นคนเกลียดชังมีบ้างไหม หรือว่าไม่เข็ดไม่หลับดูจริงๆหมายมาดูมาดูมาดูาดสูตรทั้งหลายมาดูโลกนี้วิกฤตการงากแล้วเกินหลากหลายถ้ า, า จ, จะเป็นอาคันบุกะก็จอนมาในกาย ใ, ในใจเรานี่นับไม่ถ้วนกำลักก็จรมา รับเอาความรักนัก่นไว้ความโกรธก็จวนมังอรรับเอาความโกรธนั่นไว้ต่อนรับอย่างดีบางทีต้นรับของโกรธดีกว่าความรักถ้าได้โกรธตัวตายก็ไม่ลืมบางคนลืมความรักไปเฉยเลยเป็นอย่างนี้บ้างไหมตามๆความโกรธมีไหม เสยเปลี่ยผมโกรธมีไหมเคยเขียลา บ, บ้างไหมเคยทุกข์ไหมเคยร้ อ, องให้เสียใจไหมกินไม่ได้หม่เวลับเพราะความทุกข์มีบ้างไหมมีความโกรธข้ามวันค้ามคืนมีบ้างไหมมีความทุกข์ความคิดตัวเองมีบ้างไหมมีความทุกข์ประตาเห็นูโเสียงได้ ได้ยินเสียงจะบหมดได้ขีนลิ้นในรถกายสัมผัสใจคิดนึกเป็นอย่างนั้นบ้างไหมต้องอย่างเดียวโกรธแล้วโกรธอีกไม่ไหมต้องอย่างเดียวทุกข์แล้วทุกข์อีกย้อนมาหลายครั้งหลายคราวทนรับไว้อย่างเนี้ยงินบ้างหลือเกิน เก่าวิกฤตกานณ์ดุดร่าชลถบางทีก็มาในลูกพอใจบางทีก็มาในรูปไม่พอใจมีสมมติหันหยาดต้นล้ออันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบจึงได้ชอบออกมามันได้ไหมจริงได้ไม่ชอบให้หนีไปมันมีบ้างไหมเราจะทำไงโลกนี่ให้มันเห็นลองดูเชื่อ แล้วก็มีก็ประสบเห็นมาบ้างแล้วเราก็เลยไม่ค่อยจะมีซรัพอเลยงัพเพื่อที่แก้ไขเรื่องนี้แก้ความทุกข์แก้ความโกรธแก้ความโลภแก้ความหลงแก้ความเกียดคว่มักความพอใจไม่พอใจมันควรจะมีถ้าไม่มี แม้แต่ว่าเป็นเมนนกรรมนอกจากนั้นก็ยังมีการเกิดเจ็บเจบตายที่มันยืงใหญ่ก็จะลองให้เสียใจในเวลานั้นยังไม่ถึงเวลานั้นก็ยังกลัวยังสะดุ้งกระหวากลัวจะถึงเมื่อไรเป็นยังไง เราทำางชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดมาเพื่ออยู่ในสภาพดิบา ก, กรรมชนนี้มีค่าอะไรจึงมีศาสนาจึงมีคำสอนจึงมีพระเจ้าอุบัติขึ้นเนาก็พื่อทำคำสอน <c oughs> เป็นไปเพื่อทงออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปริธาน มีเชีงเหลือแล้มีคองสอนท่าทายแว้งก็ไดเจริญสติปัฏฐานสีอย่างต่อเนื่องมีอนนส ง, อ ย, งอย่างวัย่งวันเดวันอย่างต่งางหนึ่งเดือนเดเดือนอย่างชาติหนึ่งปีเดปีถึงมากถึงผลมีอนสงสองประการเป็นพระนาคามีบุคคลเป็นพระหรหัน อนาคตมีเป็นยังไงอรหันต์เป็นยังไงเป็นเล่านี้ยายญ่เล่าในทานสู่กันฟังเหรอือมันอยู่ที่ไหนสติปัฏฐานอยู่ที่ไห น, ไหนมีใครฆ่าวิสูตรฆ่าท่าตายเรื่องนี้เราจริงๆลองดูมั้ยถ้าเราจริงจังเราขอเป็นเพื่อนเป็นมิตรในเรื่องนี้ จะไม่พลาหลงทิศหลงทางในเรื่อง น, นี้มีได้เป็นได้ในชีวิตในรูปทำนามทำนี้ถ้าไม่มีรูปไม่มีนามทาไม่ได้งานมีรูปมีนามมีการมีใจทําได้ทุกชีวิตมีการกระทําเกิดขึ้นมีที่ตั้งเกิดขึ้นไม่ใช่คิดไม่ใช่สมอง ไม่ต้องไปเชื่อสมองเหตุผลทะายหให้มีการกระทาให้มีที่ตั้งด้วยกรรมฐานกรรมฐานฐานคือที่ตั้ ง, งกรรมคือการกระทำตั้งไปที่ไห น, ไหนตั้งไ้ที่กายนี่แหละมันมีกายมันเป็นลูกตั้งไว้เราทำยางไงมีชต <c oughs> ิเปในกายชติไปในกายกา ย, ยังไง แล้ก็สาธิตดูทําไงโอเจ้าก็สาธิตกู้เขียนเข้ามีสติเหตะเขียนออกมีสติในพระสูตรต้นๆในวันเป็ดเดือนหทํอย่างนี้กู้เขียนเข้ารู้สึกตัวเหยืดเขียนออกรู้สึกตัวในวันเป็ดเดือนหกงานมาแล้วเกือบสองวห้ารอย เก้าสิบปีแล้วสอง0ันห้ารอยใช่ไหมห้าสิ 53, บสามวกสี่้าเข้าไปเป็นเท่าไหร่สองพันห้ารอยห้าสิบสามปีนี้บวกสี่้าเข้าไปเกือบสอง0ันห้ารอยเก้าสิบปีแล้ว ไม่มีห <Das guided art> ัวคขนาดมันเสื่อมเนี่ยเออแขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแขนออกรู้สึกตัวเนี่ยทําได้ไหมทุกคนนั่งอยู่เนี่ยไหนมือข้างซ้ายข้างขวาอยู่ที่ไหนถ้ามีอะไรวางไว้เข่ามีพวกเข่าไหมสองขานมีไหมวางไว้เข่าเนี่ย เราจะเป็นคมถามเป็นโจทย์ว่ามือของท่านอยู่ที่ไห น, ไหนมือสองข้างอยู่ที่ไหนทุกคนตอบได้ไหมตอบได้ไม้มมืออยู่ที่ไหนเดี๋ยวนียตอบตัางต่างทีฮะเดี๋ยวที่เขาหรือ อะไรด้ว่ามือที่เขาน่ะฮะอะไรเห็นหับตาดูเห็นไห ม, ไมเล่นตาดูเห็นไหมไม่ต้องดูเห็นไห ม, ไมนั่นแหละภาวะที่เห็นว่ามือโยนเขาละละนั่นแหะคือสติมีไห ม, ไมอย่างเนี้ ไ, ได้เห็นว่ามือโยวนเขารอต้องถามใครไห ม, ไม นี่คำถามไหมก็เหนอือตอบให้ได้ไหมถ้าคนเหนือตอบให้ไม่จริงถ้าเราตอบเอาเนี่ยไม่จริงมือมือของฉันอยู่บนเขาเนี่ยสติเป็นนี้กู้แขนเข้าดูเตั้งหนือข้า ง, ง, งข้างข้างขวาวตั้งไว้รู้ไหมยกขึ้นรูปไหม วางลงสะดือลูกหมตะแคงข้างทรายตั้งไว้ลูยกข้างทรายขึ้นลูหมากบมือข้างขวารูเดินมือข้างขวาเหนือขึ้นมาชักหน่อยลูยกขบวยตั้งไหวข้าข้างลูวางลงห่าลูตั้งไหวพ่วมลงลูยก เพื่อนมานนี้ก็รู้นะให้รู้รู้ไม่ใช่คำพูดนะรู้นะรู้เป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างอย่ารู้แบบอยู่ให้รู้แบบดูให้เห็นกายถ้าอยู่ไม่เห็นถ้าดูจึงจะเห็น ถ้ามือนสุกอยู่ในความสุกไม่เห็นสุกถ้ามืนทุกข์อยู่ในความทุกข์ไม่เห็นทุกข์ให้ดูให้ออกมาดูพระเจ้าสูทส่งหลายออกมาดูโลกนี้ให้มาดูอย่างนี้เรียกว่าหัดมีจิตไปในกายถ้าทําได้หรือว่ามีหนออ่อโพธิปฏิบัติได้ไหมรู้ได้ไหมนั่นทำได้ เคยมาตั้งไว้ที่นี่ชัก1หนึ่งวันที่เวันไหมให้เห็นกายให้เห็นไปในกายอยู่เนี้ยต้องมาไปที่อื่นก็มาตั้งไว้เรียกว่าที่ตั้งเมื่อมีความรู้หรือว่ามีกรรมกระทบถ้า <c oughs> <c oughs> ไม่มีความรู้ไม่มีกรรมกระทบไม่มีกรรมกรไม่กรรมไม่ ได้ผลเราหลงมาเท่าไหร่กายมันเคลื่อนไหวเท่าไหร่เราไม่รู้บับนี้เรามาหัดใช้ให้เป็นประโยชน์มันฟรีแต่ก่อนใช้ชีวิตฟรีเคลื่อนไหวก็ฟรีเคลื่อนไหวทางกายก็ฟรีไม่รู้อะไรเคลื่อนไหวทางจิตใจมันคิดก็ไม่รู้เลยมัน ไม่มีประโยชน์หรือว่ า, ากา ต, ตัดกรรมกรรมที่ไม่มีผลต<ล>ันนี้เจตนาให้มันรู้อย่างนี้ลองดนูนะเราจะพิสูจน์ต ร, รงนี้ขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้ให้มีศรัทธาเป็นทูนมากๆให้มีอะไรขวางกัน้นถ้ามีศรัทธาแล้ว ไม่มีความยากไม่มีความง่ายถ้ามีศรัทธาว่าจะทำเรื่องนี้พระเจ้าทาอย่างนี้ไม่มีศรัทธาเป็นทุนแล้วก็มีความเพียรต่อเข้าไปอีกมีใส่ใจเข้าไปอีกแล้วมันหลงกับรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ไปเรื่อยๆไปเรียกว่าสาเร็จได้สักสีย่ยอง หศรัทธาความเชื่อสองความเพียรขยันรู้ภาวนาหรือว่าขยันเพียพรภาวะคือขยันคนขยันย่อมหาชับได้คนเกียดก้านย่อมนอนเป็นทุกข์ความเพียนรเิมขยันไม่ใช่เบาขยันด้วยการกระทํำมาอื่นขยันในความเพียรอย่างในขยันในการทําอ่าเรียชอบ อ๋อทีัพอ์ไม่ใช่ขยันแบบพอ<บ>์ภายนกอกอ๋อทีัพอ์ภายในขยันแบ บ, แ บ, บคุณธรรมศรัทธาในความเชื่อมีวิริยะคือความภาคภิญตมีจิตต่อใจใสยอยู่เสมอมีวิมังสาคือลูก ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกเมื่อมันหลงก็เปลี่ยนเป็นรู้เมื่อมันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นรู้เมื่อมันสุข ก, ก็เปลี่ยนมารู้อะไรก็อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นปาวะที่รู้ทั้งหมดเปลี่ยนได้มันโศกเห็นมันโศกรู้ลแล้วไม่เป็นผู้โศกมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เคยเห็นอยางนี้หมาย หรือว่าเป็นได้เป็นเรามันไม่เปลี่ยนนั่นก็เป็นอยู่เช่นนั้นถ้าหลงก็หลงไปกับความหลงลอยแห่งความหลงก็มีในชีวิตเหล่านี้มีแต่ลอยเปือเปือนไปหมดลอยลักลอยแค่นลอย เหตุอยถูกรอยได้รอยเสียรอยโกรธอยโลภรอยหลง<ม>เบื่อไปหมดเพราะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยลบออกเด้อมันหลงเห็นมันหลงไม่ลลหลงเป็นหลงให้หลงเป็นรูเรียว่าไม่เบื่อนเด้อมันทุกข์ให้ทุกข์เป็นรูไม่เบื่อนทุกข์เด้อมันโกรธ ให้โกรธเป็นรู้เป้นเพื่อนโกรธกร็อพอใจไม่พอใจอะไรมากมากมากๆแปดหมื่นจีพันอย่างให้เปลี่ยนมาเป็นพระวจีรู้อยู่เนี่ยจะไม่เพื่อน น, นี่ว่ามีหวังสาชี้อย่างเนี่ยทำไม่สําเร็จไปใช้กับอะไรก็สําเร็จอ๋ชอบไปนอกก็สําเร็จนี้ผัวไม่เมียก็สําเร็จ จ้าศรัทธาถ้าความรักนะศรัทธาต่อกันและกันแล้วก็มีความเพียรประกอบให้เกิดความดีไม่เกียจคานถ้าศรัทธ า, าต้องเสียฉละขยันเหมือนเพียรต่มหาจีนจิตตออใจใจไม่ทอดไม่ทิ้ง ไม่ทำให้เรื่องร้ายไม่ทำเรื่องอื่นให้เป็นเรื่องผิดไปให้มีแต่จิตใจใส่อยู่เสมอเปลี่ยนร้ายเป็นดีถือแจ้ไขาปรับปรงอยู่เสมอ้าเป็นครอบครัวก็สําเร็จการศึกษาก็สําเร็จการงานสําเร็จมาทำความเพียรมาอาดีชับก็สําเร็จได้นี่หัวข้อเครื่องมือ ไม่ยา ก, ม, ยากมีอยู่แล้วในชีวิตเหล่านี้เพิ่มทั้งหมดศรัทธาก็ไม่ต้องมาขอใครเกิดขึ้นแล้วเวร์เพียนก็ไม่ต้องมาขอใคอยจิตใจที่สักฝักไ ฟ, กฟยอยู่เสมอก็ไม่ต้องมาขอคอยดารผิดการถูกก็ไม่องมาถามใครเวลาโกรธยังไงฉันโกรธไหมช่วยฉันได้ไหม ถ้าเราเปลี่ยนโกดเป็นแม่โกดฉันหายโกดหรื อ, อยังตอนนี้เหลยมังสาพิมังสาไม่มีคำถามไม่มีคำตอบน่าจะน่าจะชัดเจนในเรื่องนี้สำเร็จไปสำเร็จไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อใช่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ตาวะที่เป็นกับภาวะที่เห็นมันต่างกันแบบนี้ถ้าสุขเป็นสุก มันเป็นอย่างนี้ถ้าฉกเห็นมันุกมันเป็นอย่างนี้น้านมันหิวข้าวมันเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นมันหิวเป็นอย่างนี้เห็นมันหิวหรือเป็นผู้หิวเห็นมันโกรธหรือเป็นผู้โกรธต่างกันไหมสัมผัสดูโลกแบบนี้ลองดูมาดูโลกลองดูจึงจะรู้แจ้งเรื่องโลกโลกโล ก, ก, ล ก, กัวิถีรู้แจ้งอย่างนี้นะปฏิบัติธรรม มันเป็นกรร ม, มฐานเป็นกรรมศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนได้เอ้ยโกรเปลี่ยนไม่โกรธได้แต่ว่าที่รู้เนี่ยมันลบมันซ่อมมันมันทำให้ดีขึ้นไดวัฒนะดีขึ้นแตาไม่เปลี่ยนมันหายะนะมาเสื่อมลง แล้วก็ถ้าเปลี่ยนนี่จะเหนือไปเรื่อยๆไปถ้าไม่เปลี่ยนก็เกิดเจ็บเจบตายแน่นอนถ้าเจ็บเห็นมันเจ็บนะ่ยไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ็บนะี่ยการเห็นกับการเป็นมันต่างกันที่แรกก็เป็นกระเสอาจใหม่ๆเป็นกระแสเหมือนกับเห็นแสงทองแสงเงินทางนี้แหละทางทิศตะวันออก กระเฉตามไปตามไปจะรู้ว่าสว่างไปสว่างไปอันเห็นกงเห็นก็ไม่เป็นเนี่ยมันก็มีกระสต่างแบบนี้ไม่หลงเป็นหลงพยายามเที่ยวพูดตรงนี้อยู่เสมอให้หลงเป็นรู้ไม่ทุกเป็นทุกให้ทุกเป็นรู้ อะไรก็ตามให้ไปเป็นภาวะที่รู้ให้มันมากรู้เรียว่ามหาสติมากถ้ามันมีความรู้มากความหลงก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็มีความรู้มีความหลงเท่านี้ชีวิตเราเราเกิดมา ถ, ถึงปูนนี้วันนี้ระหว่างรู้ระหว่างหลงอันไหรมันมากกว่ากันถ้ามันหลงก็ไม่เป็นธรรม ถ้ามันไม่หลงก็เป็นธรรมความมันธรรมควรที่เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนไม่ใช่หาความมนธรรมจากจิตเงินวัตถุอื่นคนอื่นร้องหลงไม่เป็นธรรมไม่ความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมทำเป็นอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ จงละทำดำเสียจเจริญทำขาวคือจเจริญแบบนี้แล้วจะก็สวดกันดีเหลือเกินอ้อนรโอคาโอคามากรรมมาเวกีเต่ตรลมังอะไร จ, จำไม่ได้แล้วพ่อกรมจงละทำดำเสียแล้วเจริญคำขาว หมายถึงไม่มีนม้ำจากที่มีนม้ำมีหมายที่ไม่มีนม้ำที่มีน้ำ ม, มีหมายขึ้นฝั่งขึ้นบกไม่เปียกสัมผัสกับความไม่เปียกสัมผัสกับความเปียกคนอนลอยน้ำกับคนขึ้นอยู่ในฝั่งมันต่างกาัน ถ้าเป็นเราเหมือนคนลอยน้ำถ้าไม่เป็นเราขึ้นฝั่งเห็นนี่ขึ้นฝั่งง่ายถ้าเป็นเราขึ้นฝั่งไม่ได้เหมือนมันลอยคอถ้าเป็นศุกก็ขึ้นฝั่งยากถ้าเป็นทุกข์ขึ้นฝั่งยากถ้าเห็นเราขึ้นง่ายเป็นท่าเทียบเรือก็เร็วได้ฝั่งพระนิพานผู้ที่ถึงฝั่งพระนิพานไม่น้อยหนัก มักจหลอยคอโอคาโนคาเหมือนกับผู้เจ้าว่าจงมาถึงที่ไม้ไมีหน้าเหมือนยืนกวกมือเรียกพวกเราอยู่ถ้ามันหลงขึ้นมาขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาถ้ามันทุกข์ขึ้นมาถ้าผู้เจ้าอจุดเพราะหน้านั้นแล้วถ้ามันโกดขึ้นมาไม่ขวบก็ได้มีสิทธิเรามันหลงไม่หลงก็ได้เรามีสิทธิ สติไม่หลงสติไม่ทุกข์สติไม่โกรธใช้สติของเรานี้เราไม่ใช้สติยอมง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะทุกข์ง่ายที่จะพอใจไม่พอใจ้ายขวะอารมณ์ของเราไม่ใช่มีขวไม่บวกไมีลบพอใจไปทางขวะไม่พอใจไปทางใช้ อยู่ต้องกลางไมค่อยมีตาเห็นโลกก็พอใจตาเห็นโลกไม่พอใจหูที่เห็นเสียงพอใจหูที่เห็นเสียงไม่พอใจมันอยู่แบบเนี้ถ้าเห็นมันรู้เนี้ย ม, มันจะเป็นกลางคะว่าที่รู้ที่ดูเป็นกลางเป็นมรรคทำยังไงเราจะสร้างตรงนี้ได้จึงไม่มีสติเป็นที่ตั้ง เพราะมาจากมีที่ตั้งเพราะถ้าไม่ตั้งมันไหลไหลไปทั้งหน้ามีบ้างไหม้ไหลไปทั้งหลังมีบ้างไม้ต้องมาอยู่นี้จีวนันมันไหลไปท้างหลังมีบ้างไม้อดีตที่ผ่านมาไหลกลับไปมีไม้มีรอยไหม้อนาคตจะลามันไปไหม ถ้าไม่ตั้งเราไปข้างหน้าไปข้างหลังจึงตั้งไว้ให้มันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตะตะตะตะวิปัสสติผู้ดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นจพอนาน่นทีนั้นๆันอย่า ง, างแกมแจ้ ง, งไม่งอแย่นคอนแคลนเกาควรพ่คุณอาการเช่นนั้นไว้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสียงนะ <c oughs> น่าฟังไหม <N h aha> น่าสงสารนะคนไม่มีไทรอยนะคนหมอนนะทรคอะไรไม่มีนะดันจนเต็มที่เลยนะ <N h aha> หมดสภาพแล้วแต่ว่าอันไม่หมดมันก็มีอยู่แต่ว่ามันใช่ไม่ได้แล้วต่อไปตาก็ใช่ไม่ได้แล้วงูก็ใช่ไม่ได้แล้ว ไอ้ปากไอ้ลิ้นก็ใช่ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมทวยเจ้าตอนปริพาน์ได้เตือนไหมโยก่อนพิจูทั้งหลอยบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังข า, าระปมาเทนะสังขา น, นี่มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงอย่าทับปมาเถิด ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุม่มทักหน่อยอย่ารอยเท้ารอยแ่เป็นยังยงี้เก่งหน้าก็กระตือหรอร่อนทักหน่อย ไ, อไปทำอะไรยอยู่ให้<อ>สนใจเรื่องนี้บ้าง <c oughs> ประเทศไทยพอจะทำเรื่องนี้ได้ <c oughs> สมบริบัตก็ได้นะ หนึ่งละคนไทยไมีศรัทธามีวัดว่าอาลามีมพระ ส, สงค์พระ ส, สงฆ์ก็มีวัดว่าวัดนี้ก็มีมีมิตรมีเพื่อ น, อนก็อยู่กันได้ก็เมีนมางไทยและเห็นคนมานั่งขอบคุณพกท่านทั้งหลายที่มาเนี่ย เป็นความประสงค์ของพวกเราทำไมไหนเป็นอย่างนี้ทําไม่ไหนพระเจ้าตัดไว้ว่าท่านนั่งหลายจงมาช่วอาวาสของเราผู้ยังไม่หมาขอให้มาเป็นความคิดพระเจ้าทําไม่ไหนเป็นแบบนี้ผู้ยังไม่หมาขอให้มามาช่วยอาวาสของเราผู้มาแล้วอยู่เป็นจกเป็นฉก ปฏิบัติทำทำตามธร ร, นรมนั่นเถิดเขารบพระธรรมรังเถิดอย่าไปเครารพความหลงความโกรธความทุกข์เขารบควา ม, มโกรธควา ม, ม่หลงความ่ทุกข์ถ้ามันมาก็าอย่าไปเครารพกันอย่าต้อนรับกันบอกกันคืนบอกกับวิธีบอกกับมันไม่ใช่เรื่องเกินมีสติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ไม่เป็นอะไรเนี่ยก็บอกกับ มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่เลยบอกกับไม่รับอิจระมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธบอกกลับไปอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่เกิดกึ้ปกากับใจนี่บอกกับไม่เป็นอะไรสิทธิขตอนรับด้วยอคันโตกะที่เป็นข้าศึกในโลกนี้ ไม่เป็นอะไรกับอะไรคือต้อนรับจะมอะีอะไรก็ทำในโลกนี้ขอต้อนรับด้วยลักษณะแบบนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตเราสูงสุดสูงสุ ด, สดเดี๋ยวนี้เราเป็นนะมันร้อนเป็นผู้ร้อนมันหนาวเป็นผู้หนาวมันเหิวเป็นผู้หิว มันเก็บเป็นผู้เก็บถ้าหัดก็เห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บอย่างเราสวดทรรมจักสมมาทิฏิอาริบาตยังเปลาสัมมาทิทิเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิจูต้องหลอยพิกจูในทธ่รมะนี้เห็นทุกหน้าสัมมาทิทิ เห็นไม่ใช่เป็นเห็นถึงเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นหนทางแห่งความดับทุกเห็นวิธีดับทุกได้มีสี่อย่างของจริงนั่นและว่าเห็นเห็นสัมมาทิฏฐิถ้ามันหลงเห็นมันหลงแล้วไม่หลงก็ไม่หลง ถ้ามีความรู้นะ่ะมันทั้งหมดคือของกิจงานประเสริฐสีอย่างมีสติมันก็รับความชัว่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติจิกตก็บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้จริงๆปฏิบัติธรรมก็ทำอย่างนี้จริงๆริไม่ใช่อ้อนวอนทาลงไปสัมผัสลงไป เอากายเราสัมผัสเอาใจเราสัมผัสต่อออกไม่กายกับสติเป็นอันเดียวกันที่แรกกับคนละเอยียงฝึกไปฝึกไปจะเป็นอันเดียวกันใจกับสติก็เป็นอันเดียวกันมิใจสติเป็นหน้าโลอเหมือนพระขี่หน่อศกผู้มีสติเป็นหน้าโลอชี้หน่อศกคือปรัญหา หน้าลอบนิวาสติไม่ใช่ตาสติเป็นดวงตาภายในมันลอบมาทางไหนก็รู้เนาะถ้าตาเนื้อมนไปทางเดียวไปทางหน้ามองข้างหลังไม่เห็นหน้าลอบถ้าถ้าฝึกถ้ามันมีแล้วมันไม่ไปไหนมันเป็นไม่ใช่รูทาให้เป็น ทำให้มันเป็นไม่ใช่เรียนรู้มหัดให้เป็นสนามฝึกอเรียนรู้ท่านทั้งหลายรู้มาแล้วแต่ยังทําไม่เป็นเรามันหลงรู้เป็นไม้เรามันโกรธรู้เป็นไม้เรามันทุกรู้เป็นไม้ให้ทุกเป็นทุกะให้หลงเป็นหลงให้โกรธเป็นโกรธรียกว่าทําไม่เป็นเราจนจงหัด ดีที่มันหลงจะได้รู้หัดแล้วรักษาแล้วดีที่มันโกจะได้รู้ลีที่มันทุกจะรู้ให้มันออกมาเอถอะเวลาเรามีสติมันจะเห็นเรื่องแถวนี้ละ่ะสนุกดีมันหลงนั่นแหละดีจะได้รู้หลงให้เป็นเหตุให้เกิดความรู้จึงเห็นทุกนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกนั่นแหละไม่ใช่ผิดถ้าเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยมันไม่ยาก ถ้ามันหลงก็เห็นมันหลงถ้ามันผิดก็เห็นมันผิดถ้ามันทุกข์ก็เห็นมันทุกขนะ์เนี่ยมีเตเห็นเนี่ยนี่ตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยเป็นอย่างนี้จริงๆะเฉลยได้ทั้งหมดทำได้ทุกชีวิตปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนี่คือปฏิบัติธรรมองสวด ธรรมกุณสบาข้าโตวพระวัตาธรรมโมพราธรรมมันพระผู้มีภาคเจ้าตัดไปแล้วตอนทิจิโกผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัจจิโกเป็นสิทีิความเรียกคนอื่นมาดูโอปนายัยโกน้อมมาใช่ตัวเรา ประจัดตังเวเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนปฏิบัติได้ผลได้เป็นจำ ก, การตามทุกครเจผู้ปฏิบัติเป็นอัศจรรย์ธรรมะเป็นของอัศจรรย์สมควรเจ้ผู้ปฏิบัติขยันรู้ก็ได้ความรู้ขยันหลงก็ได้ความหลงเวลามันหลงเปลี่ยนรู้อ้ ก็ได้ประโยชน์ถ้ามันหลงไม่เปลี่ยนเป็นลูกก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บนเรียนบทเรียนอยู่ที่นี่ในการปฏิบัติไม่ใช่เรียนโูกในเทคนิควิชาการต่างเป็นการประสบการเห็นผิดเป็นจึงพ้นผิดเทนทุกข์อย่างบนทุกข์อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมกรรมฐาน มันจักดิ์สิ์ไม่มีที่ไหนที่ทาแบบนี้แล้วก็ช่วยกันไม่ได้ต้องมาทําเอาเองตัวใครตัวมันตอาลักพ่อแล้วแม่ก็ช่วยไม่ได้เอาลักปัญญาสามีก็ช่วยไม่ได้ลักลูกลักไขรก็ช่วยไม่ได้ต้องทําเองนี่คือของเก่งต้องขวนเกลเวลากับพระพ้ อ, อกัน